ฝึกจับความรู้สึกผ่านซุ้มเสียงจะทำโดยครอบครัวพววงสวัสดิ์ถ้าจิตของคุณผูกพันกับใครจะมีสายใยเชื่อมโยงถึงเขาหรือเธออยู่แล้วและเครื่องชี้ว่าสายใยผูกพันมีอยู่มากน้อยเพียงใดก็คือความสามารถในการระลึกถึง ถ้าคุณนึกถึงใครแล้วเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับคนคนนั้นชัดเจนแจ่มกระจางเรากับสามารถจับต้องได้อยู่ตรงหน้าเรียกว่าผูกพันมากหรือกระทั่งมีสายใยเหนียวแน่นมากอาจเป็นความรู้สึกข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ตามแต่ถ้าถามคนร้อยคนว่าตอนนึกถึงใครจะนึกถึงสิ่งใดก่อนเกือบร้อยทั้งร้อยจะตอบว่านึกถึงใบหน้า ซึ่งจริงๆแล้วใบหน้าไม่ใช่ส่วนที่ทำให้เกิดความทรงจำแจ่มชัดส่วนที่ทำให้เกิดความทรงจำแจ่มชัดแจ่มใสได้แก่น้าเสียงและอารมณ์ต่างหากสงสัยไม่ว่าทำไมในแบบและนางแบบที่คุณเคยเห็นแต่รูปไม่เคยได้ยินเสียงจึงผ่านหายไปจากความทรงจำอย่างง่ายดายแตกต่างจากดารานักร้องที่คุณเห็นทั้งรูปร่างหน้าตาอากับกิริยาเคลื่อนไหว ตลอดจนน้ำเสียงที่สื้ออารมณ์รักโลภโกรธหลงเป็นคนละเรื่องยิ่งน้ำเสียงนักร้องคนไหนสะเทือนอารมณ์ได้มากยิ่งฝังอยู่ในความทรงจําของคุณได้ลึกนึกถึงที่ไรรู้สึกราวกับใกล้ชิดจับต้องได้แทบทุกครั้งเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคําตอบคือเสียงมีลักษณะเป็นคลื่นซึ่งใกล้เคียงกับจิตมากกว่ารูปทรงสีสัน รูปทรงสีสันเต็มไปด้วยโครงสร้างและรายละเอียดสลับซับซ้อนจิตต้องเรียบนิ่งราบคาบราวกับจอภาพยนต์ขาวๆรูปทรงสีสันจึงทาบตัวลงไปได้นเนียนสนิทไม่ยับยุยี่ตามอาการฟุ้งซ่านทางจิตไปียก่อนจากความรู้นี้คุณจึงควรอาศัยคลื่นเสียงของญาติเป็นสื่อในการฝึกโดยการฝึกที่แท้จริงนั้นหาใช่เพื่อพยายามจดจาเสียง แต่เป็นอารมณ์สุขทุกข์ที่แฝงมากับน้ําเสียงต่างหากยกตัวอย่างที่คุณอาจทบทวนให้เห็นจริงได้ทันทีเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องฝึกมาก่อนขอให้ลองนึกถึงคนสนิทนึกถึงคำสุดท้ายที่เขาหรือเธอเพิ่งพูดกับคุณแล้วถามตัวเองว่าคุณแยกแยะและตัดสินได้ไหมว่าเขากำลังอารมณ์ดีกาลังเบิกบานหรือกาลังอารมณ์เสีย ตลอดจนมีความรู้สึกกับคุณเป็นบวกหรือเป็นลบเพียงใดถ้านึกออกแล้วเริ่มรู้สึกได้ว่าเป็นประสบการณ์สามัญอยู่แล้วคุณจะเริ่มมีแก่ใจพัฒนาความสามารถที่สุกไว้เฉยๆให้กลายเป็นช่องทางสื่อสารกับญาติได้เพื่อจะเริ่มฝึกวิธีการก็อาจตรงไปตรงมาง่ายได้เหมือนทำทำกันอยู่แล้วคือพอเจอหน้ากันให้ไถ่าถามว่า รู้สึกอย่างไรบ้างร่างกายดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเมื่อวานจิตใจกระสับกระส่ายหรือสงบมากกว่ากันเลือกเอาคำถามของคุณเองอย่างไรก็ได้แต่ขอให้ได้คำตอบเป็นว่าดีขึ้นแย่ลงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เท่านั้นไม่ว่าญาตจะตอบเช่นไรให้จับความรู้สึกที่มากับเสียงนั้นเช่นถ้าเขาพูดว่ารู้สึกแย่ คุณสามารถรู้สึกตามไม่ว่าอึดอัดแค่ไหนหรือถ้าเขาพูดว่ารู้สึกดีขึ้นคุณสามารถรู้สึกตามไม่ว่าหลอดโปร่งเพียงใดคุณจะพบความจริงคือขณะนึกถึงสุขทุกข์แล้วระบายให้คนอื่นฟังสุขทุกข์นั้นจะล่วปนมากับน้ำเสียงของเขาด้วยเสมอแค่ตั้งใจฟังธรรมดาธรรมดาก็จะสำเนีครู้ได้ คุณจำเป็นต้องพบหน้าญาติบ่อยๆถามไทยทุกสุขบ่อยๆกระทั่งจับความรู้สึกผ่านน้ำเสียงของเขาถูกแยกออกว่าแต่ละครั้งเขาทรมานมากขึ้นหรือน้อยลงเสียดแสลงแน่นอกหรือปลอดโปร่งโล่งใจกว่าเดิมถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มรู้จักญาติไปอีกแบบคือไม่เห็นเขาเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เห็นกระทั่งเป็นคนรู้จัก แต่เห็นเป็นที่ตั้งของความเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เปลี่ยนระดับไปได้เรื่อยๆเท่านั้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกแตกต่างไปกว่าเคยๆอันนั้นขอให้ทราบว่าคุณเริ่มย่างเข้าสู่โลกของประสบการณ์ทางจิตบ้างแล้วอาจใช่เรื่องน่าตกใจแต่อาจน่าชงวนว่าอะไรๆรปรากฏอย่างจงแจ้งเช่นนั้นมาตลอดแต่คุณกลับไม่เคยสัมผัสได้เอาเลย ฝึกจับความรู้สึกจากเสียงครางระหว่างพูดคุยกันถ้าเขาครางอือหรือระหว่างเฝ้าค่ายยังกลางคืนที่เขาหลับถ้าเขาคลางออกมาโดยไม่รู้สึกตัวให้ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาสังเกตตอนปลายเสียงคลางที่หายไปแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เหลือให้สัมผัสรู้สึก คือความรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์หรือว่าความรู้สึกสบายเป็นสุขเมื่อการกลางของญาติกลายเป็นเครื่องหมายแสดงความสุขความทุกข์คุณฟังทุกครั้งสัมเนียกรู้ได้ทุกครั้งคุณจะเริ่มค้นพบรายละเอียดความแตกต่างได้ด้วยตนเองเช่นญาติกลางด้วยใจที่ใสหรือคุณกลางด้วยอารมณ์เบื่อหน่ายอัดอั้นหรืออารมณ์แจ่มใสโปร่งโล่งสบายหัว ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกจับเสียงตรงนี้ด้วยเพราะเสียงเดียวๆมีความชัดเจนแสดงอารมณ์เดียวไม่ซับซ้อนเหมือนเสียงพูดเป็นประโยคที่บางทีกลัวอยู่ด้วยหลายอารมณ์ระคนกันฉะนั้นการฟังเสียงครางแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยเท่าเสียงพูดคุยก็ช่วยให้สัมผัสรูร้สึกถึงจิตวิญญาณเต็มๆดวงได้ถนัดกว่ากัน